ขอความสุขความเรจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทรางจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้จะพูดเรื่องอวาราณาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการทำอวาราณากรรมภวราณากรรมนั้นเป็นสังกกรรมประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาถ้าจะทำกันในวัน ออกพัรษานั่นเองเขาเรียกแต่เขาเรียกว่าวันปราวนาวัาคนครรษาจริงๆก็คือวันแรมสิบเอ็ดรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเน็ดพราณนาก็คือวันสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดพระสงฆ์แต่ละรูปจะภาวนาต่อกันอะไรกันเป็นการเกิดเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่าย จะด้วยได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามรังเกยียจสงสัยก็ตามในพฤติกรรมของกันอะไรกันก็ขอความกรนาว่ากล่าวตักเตือนให้สติกันได้แต่ว่าเป็นรูปแบบพิธีกรรมที่ส่วนใหญ่การว่ากล่าวตักเตือนกันนั้นก็ไม่ค่อยตักเตือนอะไรกันเท่าไหร่เพราะวา่าเราแต่ละรูปก็รับผิดชอบ ขอพระธรรมวินัยในส่วนตัวเองเมื่อแต่ละคนมีความรับผิดชอบในพระธรรมวินัยมันก็ไม่รู้จะปรนน่าจะไปว่ากล่าวตักเตือนอะไรเขาคือการว่ากล่าวตักเตือนนั้นเราต้องได้เห็นเราต้องได้ยินเรีวรรสส่รังเกียจสงสัยการรังเกตสงสัยมันก็ต้องมีเหตุผลพอสมควรจึงจะไปว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ได้ ไม่ใช่ว่าอาศัยข่าวลือต่างๆแล้วก็มาว่ากล่าวตักเตือนกวัจเจ้าซิบบอกว่ามีข่าวลือในทางไม่ดีนะแต่ความจริงเป็นยังไงก็หาทางออกให้แก่ตัวเองเสียก็เป็นวิธีการที่ทำด้วยวความกรุณาคือหวังดีต่อคนที่เราว่ากล่าวตักเตือน พระเด่นพระผูจาประทับอยู่ที่บุคพารามมันเป็นอารามของอนาธบินดิกะเสร็จ อ, อันเป็นอารามของนางวิสาขาวิคารามาตานางวิสาขาได้ขายเครื่องประดับระดามาประสาทซึ่งทาสีของท่านไปลืมไว้ที่วัดประเชตตะวันแล้วพระานุนก็ไปเก็บ รักษาเอาไว้เพื่อจะคืนเจ้าของแต่ว่านางเห็นว่าพระอานนท์ซึ่งนางเคารพมากก็ไปจับต้องเครื่องประดับของนางแล้วนางก็ไม่ควรจะเอามาใช้ก็าดูเหมือนจะเป็นการขวาขาดความเคารพต่อพระเจราในสุดก็ประกาศขายคือหาคนซื้อไม่ได้มันแพงเหลือเกินยะี่สิบเจ็โกดนะครับ เึงประดับราคา27โขดขณะที่สุดท่านก็ซื้อเองด้วยเงิน27โกดเดี๋เอาเงินนั้นแหละสร้างวัดบุพพารามก็พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในสถานที่มี6พันษาานะครับที่ประเทศตะวัน1 9พันษา รวมแล้วพระเจ้าประทับที่กนครสาวจีนนี 25, ่2 5พ0 0ษากหมายความว่าอีก2 0พ0รษาก็ประทับจำพรรษากระจายกระจายอยู่ในที่ต่างๆในกำปีรุ่นหลังที่จริงท่านก็ท่านก็เรียบเรียงไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่เคยกล้านำาเพราะว่า มันเป็นคำภีรุ่นหลังค่อนข้างมากแล้วก็เหตุการณ์จริงๆเนี่ยคนรุ่นนั้นมันตายหมดแล้วคือไม่รู้เราไม่รู้จะสอบทานกับใครเอกสารหลักฐานท่านก็ไม่ได้จดจารึกเอาไว้ก็ทำใ ห, ให้ช่วงเวลาแต่ละปีแต่ละปีที่พระพุทตเจ้า สเสด็จประทับจำภรษานั้นก็ไม่ค่อยจะชัดเจนก็ถ้าจะพออนุมานเอาได้ก็ประมาณสักสามปีแรกแล้วก็สองปีหลังซึ่งก็ชัดจริงก็ชัดเจนยากมือนกันเพราพูดแต่ว่าสมัยหนึ่งสมัยนั้นครั้งนั้นโดยสมัยนั้นแลอะไรต่างๆเ น, นี่ยนะัะคือไม่ได้ใช้ วันที่เดือนพศ อ, อ, อย่างในสมัยปัจจุบันแตงงแตงงก็ตามธรรมะก็คือธรรมะก็ในวันปรน้านั้นเองพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่แวดล้อมก็ประทับนั่งในที่แจ้งเพื่อทรงปรณนาในวันอุโบสถที่สิบพักขึ้นสิบห้าคำ เรื่องการลองสังเกตนะครับพระพุทธเจ้าปรานากับพระสงฆ์ในที่แจ้งมในความว่าโรงสำหรับรำมโหสดุดยังไม่เกิดแต่เกิดขึ้นในตอนหลังแล้วด้วยพลังศรัทธาที่ชาวพุทธมีต่อพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นที่เผยแผ่พระธรรม แล้วเป็นที่บังเกิดของพระสงฆ์และเป็นที่ให้ความสำเร็จแห่งสังกักรรมทั้งหลายโบสถ์จึงมีความสาคัญมากเนือที่ islam เขามัดยิดเขามีความสาคัญศา ส, สนาฮิดูเทวไลก็มีความสาคัญศา ส, สนาคริสต์โบสถ์เขาก็มีความสาคัญแต่ที่จริงเขาเรียกว่าเชิดนะฮะแต่ว่าเขาเรียกตามเราว่าโบสถ์ ก็เป็นาศาสนสถานที่มีความสาคัญแต่การสร้างมันสร้างทีหลังแต่าการปรนามันมีวินัยกำหนดเอาไว้ว่าให้ทาภายในเขตสีมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้สร้างเป็นอาคารสถานที่ขึ้นพระเสมาก็กำหนดเป็นเขตแดนเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเกินสามโยชน บางยาด้านละสามยอเนี่ไม่ไหวคือดูแลรักษาลำบากวันอย่างในปัจจุบันนี้ก็เอากฎหมายเข้าไปกากับไว้หมายความว่าทางคณะสงฆ์จะขอวิสุงขามสีมาคือแยกพื้นที่จากบ้านมาเป็นพื้นที่ของศ า, าสนาโดยตรงคือแยกต่างหากจากบ้าน เพรตรงนี้จึงเป็นาศนาสนจักรจริงๆในโบสถ์เนี่ยเป็นาศาสนาจักรจริงๆสมมติว่าโจรผู้ร้ายวิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์ตำรวจจะไปกระทําอะไรรุนแรงไม่ได้สมัยโบราณในโดนนายาวัดเลยนะแต่ว่าสมัยปัจจุบันเราก็ประนีประนอมกันพระอาจจะช่วยพูด หรือว่าตำรวจเขาพูดต่อแต่ใช้วิธีการแรงไม่ได้เลยจะต้องให้ความเคารพเพราะว่าเป็นการกระทำต่อพระพักพระพุทธรูปพระพุทธ ป, ปฏิมาประธานแล้วก็ต่อหน้าคำพีธรรมาตตแสดงธรรมแล้วบางทีก็อาจจะต่อหน้าพระสงฆ์ด้วยโดตามปกติแล้วชาวพุทธที่ดีเนี่ยเขาจะสำรวจระวัง พระเจ้าก็ทรงประรบตรวจ ด, ดูพวกภิกษุนั่งแล้วก็สงบนะฮะนั่งนิ่งสงบเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพระยาบุคคลรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายวะภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอปรนณาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะไม่ติดเตียน ทำอะไรอะไรที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเราบ้างหรือก็หมายความว่ารูปแบบประนาในอาจจะไม่เกิดเหมือนอย่างในปฏิบัติเพราะว่าเขาทาให้เราเชื่อมเชียอได้เหมือนกันว่าเป็นรูปแบบที่เปานนากันเพ่าะน่าจะรวบรวมเรียบเรียงขึ้นทอนหลังเพราะว่า พู้เจ้าก็รับสั่งแค่ว่าเราขอปรนนธาส่งแล้วก็รับสั่งถามว่าเธอไม่มีอะไรจะติเตียนการกระทำทางกายกระทำอวัยวะมะเราบ้างหรือพระเทรซาที่อยู่ในชิดนั้นก็มีเป็นจำนวนมากแต่ว่าสารีบุตรเทราก็เป็นผู้ใหญ่าสารีบุตรก็จึงลุกขึ้นจากอารสนะ ทำผ้าห่มเฉียงบาาครั้งหนึ่งอันนี้ยันที่บอกนะฮะว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกตอนนั้นที่จริงประชุมกันเพื่อทำาวรนาหมายความว่าพร้อมที่จะทภาวรนาแล้วแล้วก็อยู่ต่อประพักของพระพุทธเจ้าทำไมจะต้องทำผ้าห่มเฉียงบาพราต้องเฉียงบาาอยู่ก่อน ฉันจึงตั้งข้อสังเกตไว้ในประสูตรก่อนถือว่าเป็นเรื่องน่าสังเกตว่าข่มจีวนกันอย่างไรสมัยโบราณทำไมจึงเพิ่งทำเสียงบ่าเพราะว่าอยู่ในที่ประชุมชัดเจนนะฮะว่าอยู่ในที่ประชุมเตรียมพร้อมจะทำสังกกรรมและพระพุทธเจ้าก็ทรงประนามแล้ด้วยแต่พระสารีบุตรยังไม่ได้ทำพระห่มเสียงบ่า เราลงว่าปัญหานี่อาจจะนั่งข่มคลุมก็ได้นะหลื อ, อจจะคลุมผ้าคกล้ๆกับผ้าห่มนอนแล้วก็คลุมแบบนั้นก็ได้เพราะมันมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือเรื่องสังขาติมีนเกิดทีหลังแต่ว่ามีวินัยอยู่ข้อหนึ่งห้ามนั่งห้ามนั่งทับผ้าสังขาติภายในบ้าน ในขณะเดียวกันผ้าสังกติก็เป็นผ้าสมับซอ้อนนอกเวลาระดูหนาวเวลาหนาวขึ้นมาก็ห่มสามชั้นคือสังกติสองชั้นกจินวร1หนึ่งชั้นรวมแล้วเป็นสามชั้นก็แสดงว่าเวลาเข้าบ้านก็เอาไปด้วยแล้วก็มีข้อแม้ว่าอย่านั่งทับไม่นั่งทับแล้วห่มย่างไง อนี้เป็นริ่งที่มันค่อยๆขาดหายไปหรือถ้าเป็นเรื่องของโบราณเนี่ยมันเห็นคุูบาจารย์แลาวก็สั่งสอนบวชท่านก็สั่งสอนมันก็ต่อกันมาได้แต่มันขาดหายที่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละเพราะว่าเราเองก็พุศาสนาที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรารับมาจากหลักการเย็นหลังการวง หลังกาที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็รับไปจากเราเพรเรียกวันสยามาบงมีนิกายอื่นอยู่ด้วยนะมีรามันบงมีอะไรเยอะๆแต่ที่น่าสังเกตก็คือท่านห่มจิบวนไม่เหมือนเราเราเองก็หมไม่เหมือนท่านทั้งๆ ท, ที่เรามาจากท่านแล้วก็ท่านก็ไปจากเรามันน่าจะหมจิบวนเหมือนกันไม่เหมือนกัน เรื่การทำประหมจะเบี่ยงบ่าจึงเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าวิธีวิธีการห่มจีวรเนี่ยคือห่มอย่างไรแล้วประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลาย ทีเตียนกรรมไรๆอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของพระผูมีพระภาคไม่ได้เลยเพื่อพระพุทธเจ้านี่ท่านสงบตลอดอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาจีเทียนสันตะกายโยสันตะวาโจสันตะมนโนกายสงบวาจาสงบพระไถยสงบคนเราขอใจสงบอย่างเดียวอย่างอื่นมันก็สงบแล้ว มันจึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องกระทำจะาถามว่าทำไมพระเจ้าจะต้องปรนนาอันนี้จะต้องการให้เป็นเนติแบบแผนเป็นตัวอย่างแก่อุชนรุ่นหลังไม่ใช่ว่าพอเป็นศาสดาแล้วก็ปล่อยประละเลยไม่ปฏิบัติที่เกี่ยวกับสังกกรรมทั้งหลายเป็นว่าแต่ตอนหลังนะฮะตอนหลัง ม, มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียกว่า ก่อนพระเจ้านิพพานกี่ปีนี้ท่านก็ไปได้บอกไว้หรอกมันเกิดมีพระรูปหนึ่งท่านต้องอาบัติประราชิพ ค, คือขาดจากความเป็นภิกษุไปแล้วและถึงเวลาลงปาฏิโมกขุเจ้าทรงรู้ด้วยพยายามว่ามีภิกษุต้องอาบัติประราชิพปะปนอยู่ในสงฆ์ก็ไม่เสด็จลงมาคณะสง์ก็คอยกัน การนนเห็นว่าคอยนานแล้วก็ไปกราบทูลพู้เจ้าก็ไม่เสด็จลงรับสั่งว่าอารโนนบริสัทไม่บริสุทธิ์อารณนก็มาแจ้งให้สงสารพระโมคคัลลานะก็กำหนดจิต ด, ดูท่านก็รู้ว่ า, วาใครเป็นตนเหตุท่านก็เข้าไปเตือนบอกว่าคุณ เุ jar สงสาบนะว่าคุณนะ่ต้องอบัดประาจิตแล้วอยัางมานั่งในสงฆ์เพราะกานคอยออกไปแล้วม่อย่างนั้นภุจ้าจะไม่เสด็จลงเดี๋ยวก็ไม่ยอมออกไปพระโมฆ ก, กลานะทัาจากจับแขนกระชากออกมาจากโบสถ์เลยนั่นคือมาตรการในการแก้ปัญหาคือบางครั้งบางคราวนี่เรา ก็นึกไปออกว่าเสียงมากนะทำอย่างนี้โวยวายขึ้นมาด้วยชาวบ้านเห็นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าถ้าเป็นพระหรันถ้าก็รู้ว่าการละเทสะอำนวยให้ทำได้ก็ทำสมัยถาวายเพลงพระสบสมเด็จพระสังคาราศวัดมกุฎ ก็มีสังฆราชเขมรสังฆราชลาวแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชของไทยตอนนั้นก็สมเด็จพระมหาวิรรหงวัดสีมหาธาตุทั้งสององค์เนี่ยของไทยเนะี่ยยังไม่มาแต่ว่ามีพระองค์หนึ่งเป็นพระพู้เท่า เดิพดพว ด, ด, ดเข้าไปก็ไปนั่งตรงที่เก้าอี้เลยแล้วก็ตกใจกันว่าเอนีาา่สังฆราชเสังฆราชทำไมไม่มีผู้มีผู้ติ ด, ดตามก็ซุบชิบุดชิบถามกันก็มไม่มีใครกล้าแสดงอะไรอ่ะตอนนั้นสมเด็จพระพุทธชิตนวงวัดเบญวาบพิทดูมันจะยังไม่เป็นสมเด็จนะครับ นั่นก็ลุกขึ้นไปสอบตังรู้ว่าเป็นท่าหลวงตามาจากต่างจังหวัดแต่ไม่รู้ภาษีภาษาเลยๆนั่นก็บอกให้ลุกขึ้นไปนั่งที่อื่นที่เหมาะสมแต่ไม่ยอมลุกขึ้นจับมือกับชาติออกมาได้ก็ตกใจกันเหมือนกันนะแต่พอดีแก่ก็ไม่ดื้ออะไ ร, รหรอกถึงไม่ถึงก็วุ่นวายก็ออกมา แต่ถ้าไม่เห็นว่าบางทีไอ้มาตรการบางอย่างสถานการณ์อย่างหนึ่งมันจําเป็นจะต้องทำเหมือนอย่างพระพุทธธํมรมัตที่พระเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนอันดนเราจักกระนาบแล้วกระนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปนั่นคือมาตรการในการบริหารบุคคลคือเราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คงไม่ได้หรอก มันอาจจะหยาพระตามโดยละเอียดหรือละเอียดได้เลยหรือว่าไม่ฝึกไปเลยเพราะฝึกไม่ได้พระสารีบุตรได้ให้เหตุผลได้กล่าวทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หมายความอาการค้นพบอริมักในองค8ประการไม่มีใครได้เคยค้นพบมาก่อนวิจารณ์กาค้นพบแล้วก็นํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกทร่งยังทางที่ยังไม่เกิดขึ้นพร้อมให้มันเกิดขึ้นพร้อมหมายความว่าธงกระทําให้สมบูรณ์ทรงแสดงหลักคําสอนต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะเพียงแต่ปฏิบัติต่างนั้นเท่านั้นผลที่ทรงแสดงก็จะบงังเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าทรงบอกทางที่ยังไม่มีผู้บอกคำสอนเป็นนันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเภทคำสอนที่ปฏิวัติกับปฏิรูปเป็นคำสอนที่ใครไม่เคยสอนมาก่อน เพราะมันมีใครรู้ความจริงที่ลึกซึ้งขนาดนั้นมากอนาำสอนประเภทที่ยอมรับนับถือหลักการของโบราณกับคำสอนประเภทที่เรียกว่าก็อ้างอิงคนคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรอะไรต่างๆซึ่งก็นักปราชญ์โบราณท่านก็สอนมาพู้เจ้าก็นามายกย่อง สมเชยโดวยวิธีการต่างๆมันก็มีทั้งปฏิรูปมีทั้งปฏิวัติมีตั้งหลักการดั้งเดิมหลักหลักการใหม่ที่เป็นผลตรงมาจากการ ส, สรุปและในขณะเดียวกันก็เป็นของเก่าประล้ำปราที่สั่งสอนสืบต่ อ, ตอกันมาแต่เป็นความถูกต้องดีงามพระเจ้าก็ทรงนำเรื่องนั้นมาแสดง ดังนั้นท่านจึงบอกต่อไปว่าทรงรู้ทางทรงรู้แจ้งทางทรงฉลาดในทางคือทางอย่างที่บอกว่าทางใหญ่มันก็มีอยุดสองทางทางเสื่อมทางเจริญทางสุขทางทุกข์ทางกุศลทางอกุศลทางบาปทางบุญก็แล้วแต่จะเรียกคือคือที่จริงมันก็มีสองทางอย่างเงี้ยแต่ว่าภาษาที่เรียกเนี่ย แล้วก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปให้สอดรับกับผู้ฟังในขณะนั้นๆพระพุทธเจ้าก็ทําหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางชี้ทางบรรเทาทุกข์ด้วชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนารุภานนั้นพ้นโศกโยคภัยแล้วทางเหล่านั้นมันเป็นขบมันทึงพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างทางขึ้นพระพุทธเจ้าส่งคนพบทางแล้วก็บอกทาง เหมือนกับที่มีการสันเสริพก็ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าพูะุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหมือนงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่หวังว่าคนมีดวงตาจะได้เห็นแสงสว่างจากนั้นพระเทระก็กล่าวว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงฉลาดในทางหมายความวาอะไรก็ตามจะทรงบอกได้ละเอียดทางนั้นไปถึงไหนอย่า ง, งยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าสีนี่ไปถึงไหนสมาธิไปถึงไหนปัญญาไปถึงไหนแล้วถ้าทั้งสองถึงซึ่งกันอะไรกันหมายความว่าสีมีความสมบูรณ์จิตมันก็น้อมเข้าหาสมาธิ สมาธิมีความสมบูรณ์ปัญญามันก็เกิดขึ้นพอทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาสมบูรณ์ก็คือสมบูรณ์บุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์เราสั่งว่าท่านกล่าวว่าสาวกทั้งหลายบัดนี้เป็นผู้เดินตามทางบัดนี้แลขอปรานาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระเจ้าจะไม่ทรงติเตียนอกรรมอะไรอะไรอันเป็นไปทางกายหรือทางวา จ, จาของข้าพระองค์บ้างหรืออันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าพระสารีบุตรก็ว่าประโยคเดียวกันแต่ของเราสมัยนี้ว่ายาวนะฮะสังค์คปันเตปวาเรเอมิดเทสนวาสตเณวาปริสังกายวาวดันตุมางอายะสมัมณโทนุกัมปังอุปาราย я, ประปัสนโตปติกริสัมมิ ไปเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอกราณาต่อสงฆ์สงฆ์ได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้รังเกียจสงสัยก็ตามในการกระทำของข้าพเจ้าเราขอกรุณาชี้แนะบอกกล่าวข้าพเจ้ามองเห็นโทษต่ตอนั้นจากกระทำคืนต่อไปแต่ว่าที่พรเจ้ารับสั่งกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรกบทูลเนี่ยมันข้อความก็สั้น เพียงแต่ว่าก็ถ้าต้องการจะท้วงติงตำหนิติเตียนอะไรก็ท้วงติงตำหนิติเตียนกันในขณะนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าในรับสั่งว่าสาบิษสารีบุตรเราติเตียนกรรมไรๆอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไม่ได้เลยสารีบุตรเธอเป็นบัณฑิต สรีบุตรเธอเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาสรีบุตรเธอเป็นผู้มีปัญญาชั่วนใน้รา่าเริงเป็นผู้มีปัญญาไหวเป็นผู้มีปัญญาหลักแหลมเป็นผู้มีปัญญาแหลมคมคือสรุปว่าทั้งหมดนี่เป็นปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยมันก็เรียกตามกรณีที่ใช้ เนคล้ายๆกับที่เราเคยได้ยินว่าจักษุของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่ห้าคือตาเนื้อเนี่เรียกว่ามังสาจักษุเนี่ก็คือหนึ่งแหละ ก, ก็คัดออกไปนอกจากนั้นที่จริงเป็นปัญญาแต่ว่าเรียกต่างกันคือปัญญาจักษุดวงตาคือปัญญาที่ไปจักษุดวงตาชิพแล้วก็พุทธจักษุจักษุของพระพุทธเจา้า สมจากสุจาสูที่รอบด้านรอบรู้ก็คือตัวสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณที่จริงก็คือสัมมาญาณนะใมีความรู้ในทางที่ชอบแต่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการจตุรู้เองดีจตุรู้ชอบของพระพุทธเจ้าเองเท่านั้นเลยพุทธิจักรสที่จริงก็คือปัญญาแต่ปัญญาที่อย่างรู้ถึง จริ์อัธยาศัยต่างๆของบุคคลพิญารสุก็คือดูสัตวโลกดูสัตวโลกในที่ต่างๆใครมีวาสนาบารมีที่ควรแก่การฟังธรรมแล้วก็บรรลุผลแห่งธรรมะปฏิบัติเหล่านั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็เสด็จไปโปรดพัญญา จ, จักรสุก็คือการรอบรู้ทั้งหลายนั่นแหละเพียงแต่ว่าพูดกันคนละกรณี ดังนั้นคํากล่าวตอนนี้ของพระพุทธเจ้าคารับสั่งของพระพุทธเจ้าตอนนี้ที่กล่าวว่าที่รับสั่งว่าทาริบุตรเธอเป็นบัณฑิตการพิสูจน์ถึงความเป็นบัณฑิตบัณฑิตคืออะไรเรียกว่าบัณฑิตขปาฐทานบัณฑิตนิมิตคือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นบัณฑิตเนี่ยมันก็แสดงออกมาซึ่งความมีปัญญา แล้วก็มีเมตตาคุนนะ่แล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายหรือย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็สุจริทรทตรรรทางกายทางวาจาทางใจก็ไปสู่หลักการเดิมนะฮะคือกา ย, ยสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริต แล้วก็ไม่อื่นไปจากกุศลกับวสิบหรอทั้งควางจากพบบ่อยและในไปนสูตรนี้ก็พบบ่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสูตรสำเร็จหมายความมนุษย์เราถ้ากระทำให้สมบูรณ์ที่กายที่วาจาที่ใจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือถึงใจใจสามข้อนั้นที่จริงก็เป็นอาการของโรคปวดลง มาความว่าถ้าสมาธิจีก็สมบูรณ์โลภกดลงก็ดับหมดแล้วหมดก็แสดงว่าสิ่งก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ดังนั้นบัณฑิตมาก็เริ่มกระตุ้นพูดสุดจริตทมสุจริตคิดสุดจริตเรียกว่ามีความสุจริตพร้อมทั้งกลยทวาร นี่ก็คือเป็นนักปราดหรือเป็นบัณฑิตหรือเป็นสัตบุรุษก็แล้วแต่จะเรียกปัญญามากกับปัญญากว้างขวางปัญญาไวปัญญาหนาแน่นเนี่คือหมายความว่ารับน้ำหนักได้ทุกเรื่องใครต้องการรู้อะไรซักถามอะไรในประเด็นอะไรนี่ตอบได้ทันทีมันเป็นทั้งไวและมันเป็นทั้งหนักแน่นคือกระแทกไม่กระเทือนกระทุ่งไม่กระเทือนกระทาไม่กระเทือน ไม่ว่าใครจะถามมาจากที่ไหนก็ตามที่เราจะเห็นว่าถ้าสมบูรณ์อย่างนี้มันก็คือระดับพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรหรือพระเขมาเทรีแต่พระเขมาเทรีจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คบพบผลงานอะไรท่านเท่าไหร่เข้าใจว่าท่านจะนิพพานไปก่อนพอดูแล้วนะ่าจะมีผลงานมาก อย่างพระบรรเาเทรีซึ่งเลิกในทางฤทธิ์ก็ตามที่จึงผลงานไม่ค่อยมากก็เข้าใจว่าท่านไม่ได้อยู่ถึงปลายพุทธสมัยเรื่องภิกษุณีมันค้อยๆจะหายไป ท, ทั้งเป้นแล้วก็ไปแผ่วปรากฏทีละองค์สององค์ยืดเยือย้อราวห้าร้อยกว่าปี แล้วก็หายไปเลยเกินในคัมภี์ของเทราวาสเนี่ยเราก็ไม่เจอพิษณีเลยเรื่องเป็นดันมากของพิษุณีเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ที่อ้างกันไปอ้างกันมาก็อยู่ในเทรีคาถาในพวกอปทานเทรีกถาอะไรเนี่ยแต่ว่าข้อความที่จริงไม่ขนาะดมันเป็นการพูดตอนอุทานที่ตอนท่านท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหาน มันน่าจะเป็นเรื่องชีวิตและผลงานของพระพิระแต่ละรูเพื่อจะได้ศึกษาดูว่าท่านนเคยทำอะไรมาอย่างไรมันเป็นต้นแบบนะฮะคือหมายความมาท่าพระหาันนำทำแล้วเนี่ยก็สบายจะทำตามได้สบายกณะที่เรื่องเล่าออฟังตะกี้เนี่ยหมายความพระโมกขลานะได้นำทำมาแล้ว มันสมเร็จภุตธกธินาวงท่านจะทำมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเป็นการทำตามหลักของพระอระ ห, รหันต์เท่าไแล้วก็เจตนาเป็นเจตนาที่เกด้ไปความเมตตากรุณานะแต่เมื่อไม่รู้ขึ้นไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องจับมือก็ยังตกใจนะะวันนั้นว่าตัวท่านจะบวยวายตัวท่านจะบย ว, วายขึ้นมา คือมาที่จริงไม่น่าจะเห็นหรอกว่าเราเป็นราชาคณะสามัญแต่นเรืองตอนนี้แล้วพอดีมันมาจากอินเดียแล้ผู้ใหญ่ท่านเห็นท่านก็กวักมือเรียกเข้าไปาสอบถามความเป็นอยู่ไปไหนมาอย่างไงเนี่ยเราก็เลยไปเข้าไปคุยกับที่พระเถระผู้ใหญ่ แล้วก็คิดว่าเมื่อคุยเสร็จก็จะออกมานั่นแหละแต่ตอนนั้นยังไม่ทันได้ออกว่รูปนี้ก็เข้ามาเสีก่อนโดยก็ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเพคุณสมบัติของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคิดปัญโยปัญญาไวปัญญาที่ไวเนี่ยมันก็ทาให้คิดเหมือนกันว่าทำไมพระเราจึงเทศยาน เทศชาชาแล้วก็ยานมันชวนง่วงอ่ะมันกล่อมนิสานชวนง่วงชาวคนมล้ก็สมแหละบางทีที่เขาพูดว่าฟังเทศง่วงนอนดูหนังดูละครตาสว่างคือจังหวะที่เทศเนี่ยมันาน่าง่วงจริงๆและคนปัญญาไวมันต้องเร็วนะพูดเร็ว พระพุทธเจ้าเนี่ยรับสั่งเร็วกว่าพระอานุลสิบหกเท่านะฮะพระนุลก็เร็วกว่าคนอื่นอีกแปดเท่าเราแสดงพระเจ้าก็รับสั่งเร็วมากพระอนุลก็เร็วมากคือคนปัญญาไวเนี่ยมันมาเป็นน้ําไหลธรรมะมันเกิดขึ้นมาเป็นน้ําไหลไปเลยรเร็วมาจนพูดไม่ทันพูดจนลิ้นรั่วไปเลยเพราะความคิดมันเร็วกว่า รดยความปากที่จะเปล่งออกไปอันนี้ก็คุณคุณสมบัติพิเศษของพระสารีบุตรแล้วก็รับสั่งยกย่องเป็นพิเศษนะฮะว่าสารีบุตรโอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมยังจัดอันพระราชบิดาให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามได้โดยชอบฉันใด รบุตรเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมยังธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามได้โดยชอบแท้จริงคือการแสดงธรรมจักได้โดยวิจิตพิสดารนี่นะก็พระทั่วไปไม่ใช่แสดงได้ง่ายแต่ภาษารีบุตรนี่แสดงได้ ก็เรียกว่าตามรอยบาทพระศาสดาทีเดเพราะว่าในความจริงแล้วธรรมจักรมันวิจิตพิษาดานนะก็เรียกว่าถ้าเราสามารถดึงธรรมะมาอธิบายให้รายละเอียดได้หมดในเรื่องธรรมจักรแล้วม่จะไปยึดโยงกับคำะในที่อื่นอีกอเนกอันนั้นมากมายไายก่อน เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะทั้งหลายมันมาจากอริยสัจมันมีอยู่สี่กลุ่มงานธรรมะนมี่ฐานะกลุ่มมันก็มีอยู่สี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าป ร, ริญญาตปธรรมก็คือกลุ่มของทุกประสาททั้งหลายเนี่ยกลุ่มเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันมีฐานะเป็นอัปยาคตะคือไม่ดีไม่ชัว่วกลุ่มหนึ่งก็เรียกปหาตปธรรม เป็นการศึกษาพยายามมองให้เห็นโทษของธรรมะเหล่านั้นแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละ mm. ก็คือพุทสมุทยศาสตร์รูปนึงเป็นสติการตบะธรรมที่จริงไม่เป็นเป้าคือเราไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นแต่มันเป็นผลมาจากการกำหนดรู้ทุกการละสมุทยัยแล้วก็การเจริญมรรคให้สมบูรณ์แต่ภาคของการปฏิบัติจริงๆก็คือเจริญภาคให้สมบูรณ์ มากแค่สมบูรณ์เหมือนกับเรารับประทานอาหารนั่นแหละเหตุที่หิวลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นเหตุได้หิวลดลงความหิวลดลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยความอิ่มเกิดขึ้นเต็มที่ความหิวหมดไปเต็มที่เหตุให้หิวก็หมดไปเต็มที่ธรามะปฏิบัติเราจึงปฏิบัติหมวดเดียวนะหมวดที่เรียกว่าภาเวะตาปัตธรรมคือธรรมะที่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นในธรรม จ, จักเนยผู้เจ้าทรงแสดงไว้หมดแล้ว<ต>มายังเคยพูดอยู่บอกว่าจริงๆถ้าเราศึกษาให้แตกฉานในธรรมจักข้อเดียวสูตรเดียวเราก็รอบรู้เรื่องพระศ า, าสนาหมดแล้วในด้านปริยัตินี่นนะสมัยเรียนเป็นนักศึกษาเรียนอาจารย์สุชีปุญญาโนภาพเป็นผู้สอน ท่านสอนปีหนึ่งนะฮะไม่จบธรรมจั ก, กรกวัตนาสูตรเป็นสอนไม่จบ<ม>อเออ ไ, ได้ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งมะเพราะว่าพอลงรายละเอียดแล้วก็จะละเอียดมากแต่ว่าในธรรมจักรที่จริงส่งแสดงโดยย่อมันเป็นการบ่งบอกว่าท่านปัญโยคีนั้นปีชาฉลาดแหลมลึกซึ้งที่เด็ด พระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆอันเป็นไปในทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์ใช้ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของพิสูุน์ห้าร้อยรูปเหล่านี้บ้างหรือพระพุทธเจ้าค่ะ เราโกดาไม่ติดเทียนเหมือนกันรับสั่งว่าสารีบุตรเราไม่ติดเทียนกรรมไรไร่อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุห้าร้อยรูปแม่เหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ภิกษุสิบรูปเป็นผู้ได้วิชาสามอีกหกสิบรูปเป็นผู้ได้พิญญาหก อีกสรูปเป็นผู้ได้อุพาโตภาควิมุตคือเป็นความหลุดพ้นสองสองอย่างนะคือหมายความว่าจเจริญกรรมฐานในผ่านสมถกรรมฐานมาก่อนเขาเรียกว่าเจโตวิมุตแล้วก็จเจริญยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาจเจริญวิปัสสนาต่อก็เรียกว่าปัญญาวิมุต ก็เป็นกรรมฐานสองประการคือกรรมบางทีเนี่ยท่านกเ็เริ่มที่วิปัสนาแล้วก็ไปเลยแต่ว่าท่านที่ได้อุปโตภาควิมุตตินี่จะมีความสามารถพิเศษคือจะได้วิชาสามอภิญญาสี่ปฏิไปสมิทาสียอภิญญาหกตัวนี้แปลกที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกพยากร ก็อีกหกสิบรูปก็ไรอุปโตภาตอวิมุตต์ส่วนที่เหลือก็เป็นผู้ได้ปัญญาวิมุตรก็แสดงว่าหกสิบหกสิบเป็นร้อยยี่สิบเป็นร้อยสามสิบังเหลือสี่ร้อยกว่ายังเหลือสามร้อยกว่าสา0รอยเจ็สิบสารอยเจ็ดสิบก็เป็นปัญญาพิมุตร มันก็เป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าเป็นพระอาหารหันต์ประเภทสุขวิปสกเขาเรียกว่าเป็นปัญญาวิบุตรคือหลุดพ้นไปแห้งแห้งแรงแร ง, แ, งแบบพระสกุบานก็มีมากเพราะท่านเหล่านี้ก็จะเงียบเงียบนะท่านไม่เก่งท่านไม่แตกฐานลึกซึ้งหรอก แสดงธรรมะก็ได้แต่ว่าไม่ไม่วิจิตพิสดารอย่างแบบภาษาลิบุตรพระอนนท์พวกนี้หรือจะแตกฉานมากพอดีในที่ประชุมเนี่ยพระวังคีสะท่านนั่งอยู่ด้วยอย่างที่เล่าไว้นะว่าระวังคีสัตถท่านเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าไว้ว่าเวลาพระพุทธเจ้าสรงแสดงธรรม ท่านเข้าใจทราบซึ้งในพระธรรมเทศนาบทใดก็จะขอขับขึ้นมาเป็นกรอนเป็นสันทลักเมื่อพะมาถึงตรงนั้นท่านก็ลุกจากอาศัศนะเหมือนกันแล้วก็ทำระหมจีเวียงบาข้างหนึ่ง นมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีระภาคเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีระภาคเจ้าเมื่อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่ประสุขคตเมื่อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์นี้สำนวนนี้ท่านพุยูดมาสองสามครั้งแล้วนะฮะก็เป็นเป็นการประกาศ ถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงและภาษารีบุตรก็ได้กราบถูงพระเจ้ากระรับสั่งว่าเมื่อความนั้นจงแจมแจ้งแก่เธอเถิดวังคีสก็เข้าใจกันนะฮะว่าเข้าใจกันว่าเปิดโอกาสให้กล่าวฉันทลักษ์อย่างที่เคยขอพรเอาไว้ จากนั้นพระวังกิษะก็กล่าวก็มีข้อความที่ที่น่าสนใจเหมือนกันท่านกล่าวเป็นสันนาบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่สิบห้าิสูุ5 0ห้าร้อยรูปมาประชุมกันเพื่อความบริสุทธิ์ล้วนเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องประกอบและเครื่องผูกไว้แล้ว เป็นผู้ไม่มีความคักแค้นเป็นผู้มีพบใหม่สิ้นแล้วเป็นผู้แสวงหาคุณนั้นประเสริฐพระเจ้าจั ก, กรพรรดิท่อมล้อมด้วยอมาตย์ที่เสด็จเรียบพระนครมานาจากนักรนี้ซึ่งมีสมุทรสาครเป็นขอบเขตโดยรอบทั้นใดสรกทั้งหลายผู้บรรลุไรวิชา ผู้ละมฤตมฤต ย, ยู่ได้เสร็จแล้วยนืนนั่งห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ชำระสงครามแล้วเป็นผู้นำพวกอันหาผู้นำอื่นยิ่งกว่าไม่ดีไม่มีฉะนั้นประสาวกทั้งหลายเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ชั่ว ข้าไม่มีในผู้ทั่วชานะฮะผู้ชั่วชาไม่มีในสมาคมนี้ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคผู้หากลูกสอนคือตัญหาเสด้ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์คำสันเิญนี้เป็นนิยธรรมเยอะมากแล้วก็เป็นหลักธรรม เป็นองค์ธรรมที่มีความสาคัญทัาคัาคนมันก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นพระวังคีสาะเองก็บรรลุมรกคผลแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าเ็าคงจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละกลุ่มสิบรูปที่ได้วิชาสามหรือ ว, ว่ากลุ่มร2อยี่สิบรูปที่ได้อภิญญาหกแล้วก็ไปสัมพิทาสี เพราะว่าท่านเป็นพ ร, ร, ระอหันตะ์ประเภทนี้นะฮะประเภทเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์เกิดเจตเขาเรียกว่าอุปัโตภาควิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนาต่อเนื่องกันไปทุกขางตลายเสียงธรรมจากหมหาอิทธิไลศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ ที่สุดนี้ข้อความเจริญงอ่งงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี